อยากแกย้อนมาทวนที่ลักษณะที่ประเด็นผู้การพูดเนี่ยนะคือชีวิตของเราเนี่ยนะก็คืออุปาทานขันท่าอ่า น, นะตัวขันท่านะที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยยืนด้วยก็คือขันท่าขันท่าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งแห่งสารพัดทุกใช่ไหมเริ่มต้นก็คือด้วยการเกิดหลังจากเกิดมาแล้วล่ะทีนี้ไอขันท่าชาติอันนี้มันต้องคูณอบาย เข้าม า, านะถ้าไปเกิดในอบายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าอ่า น, นะถ้าเป็นมนุษย์นะกามะสุขติเช่นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงอ่า น, นะมีทุกอะไรรองรับบ้างอย่างที่ถามว่าเอาไหมมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างคุณชูศรีเอาไหมพอใจไหมถ้าได้เท่าเดิมหมดทุกเรื่องเลยตามรอยเก่าหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ซ้ํากันอยู่อย่างนี้สักหาล้านครั้งเนี่ยนะ แต่ถ้าว่าไปจริงๆนะมากกว่านั้นอีกถ้าไม่เป็นพระโสดาบันจากนี้ไปพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนะคุณเกิดอีกเป็นพันล้านครั้งไม่ต้องห่วงแร้ว น, น, นะเกิดเกิดอีกเป็นพันล้านครั้งจริงๆถ้าไม่เป็นพระโสดาบันอย่างว่านะยาวเลยอะ่ะทีนี้เราก็รู้ว่าไอาการพิจารณาอย่างที่กล่าวไปนั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสนาคือคือคือเราทั้งหลายเนี่ยเราไปเข้าใจว่ า, าการเจริญวิปัสนานี่มันคืออะไร คือการเอาเรื่องนี้มาคิดให้มันมากคิดให้เยอะเข้าว่านั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสนาคือเห็นโทษมองแล้วเห็นสารพัดโทษโดยรอบนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสนาล่ะไม่ใช่โอ้โหเนี่ยเออนี่ยนั่นรูปนั่นนี่นามโอ้นี่นี่ต้องทันให้เออนี่นภาษาเออใช่ใช่นั่นเวทนาเออนี่สัญญาเนีโอ้โนั่นมันละอ่อนมากๆเลยอ่ะทํายังเมื่อไหร่มันจะพ้นทุกข์เนอะกำลังนึกกันนะ มันไม่พอที่จะเบื่อนายหรอกเนี่ยนะพันการพิจารณาหรือการเจริญเนี่ยคือคิดเรื่องนี้จนมันเบื่อเบื่อแล้วจิตไม่เอาเลยในสังขารนะ่ะจิตมันหันกลับนมันงอจากสังขาร น, นั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาทีนี้เราะนะเท่าที่ที่เราฟังแล้วเนี่ยนะเราหลายๆคนเนี่ยความมั่นใจในตัวพิจารณาว่าจะช่วยให้เราพ้นทุกเราไม่ค่อยมีะนะแปลงะไม่เห็นอนิสง ไม่เห็นอันนี้สงองข้อการพี่จรณาดังกล่าวไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องนี้นะ้ความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับว่าเป็นหัวข้อที่เราควรรีบให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ใช่หมแต่จริงๆแลว้วการเจริญแบบคือการเอาเรื่องนี้มาคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าพิษภัยของของการปล่อยไปตามขันเนี่ยมัน อะไรจะเกิดขึ้นมันเสียหายยังไงมันอะไรยังไงพิจารณาอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นห ล, หลายสิบปีด้วยกันจนกว่าจิตจะเห็นโทษโดยประการทั้งปวงถ้าไม่พิจารณา ก, ก็พิจารณายังไงที่จะขม่มไ อ, ไอตัวไม่พิจารณาอีกครั้งเห็นภัยของการไม่พิจารณาเนี่ยนะเรียกว่าเห็นภัยแม้กระทั่งว่ามันปล่อยเวลาไปเฉยๆกี่นาทีเนี่ยเห็นโทษไปหมดเลย แล้วตัวนี้มันพิจารณาได้เท่าไหร่นะเห็นคุณไปเท่านั้นเพราะตัวพิจารณาตัวนี้เรียกว่าปัญญาถ้าพิจารณานี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการเอาเรื่องนี้มาคิดมากๆเลยนะเมื่อไม่พิจารณาเมื่อไหรเรียกว่ามิจฉาปฏิบัติ เมื่อไม่พิจารณาเมื่อไรนั่นคือมิจฉาปฏิบัติดังนั้นอย่างที่ว่าการพิจารณาเรื่องกองทุกนะ่จะสมมติว่าเราเรียนพระธรรมกันลักษณะอย่างที่เห็นเห็นกันแล้วเนี่ยนะแทบไม่ต้องแบ่งเวลาอะไรเลยเอาเรื่องกองทุกขมาคิดได้เลยเเข้าตลาดนะดูเลยนะเอาไหมเราต้องมาเป็นแม่ค้ามานั่งทุกแบบนี้นะต้องมานั่งค้าแบบนี้ตื่นตะดึกเขามารู้จักนะคนค้าขายเนะี่ย เคยกินนอนร่วมกับพ่อค้าคนหนึ่งที่ปรุงอาหารเข้าเป็นคนภาคกลางแต่ขายอาหารอีสานขายอยู่เกือบสิบหม้อใหญ่สิบหม้อใช่ไที่เรียกว่าพูดแทบจะยกไม่ไหวเลยนะไปก้มยกเนี่ยแทบหลังหักเลยแหละจะขายอยู่สักสิบหม้อ ก, ก, ก่าจะนอนเนี่ยเที่ยงคืนหรือตีสอง แล้วก็ แ, ม แ, มแกแกตื่นสายนิดหนึ่งแม่บ้านต้องไปขนผักมาเป็นเ้ยเป็นคันรถอ่ะคันรถเข็นอ่ะนะแกก็ทักเต้นแรงเต้นกาต้มกว่าจะได้แกงแปดหม้อใหญ่มาขายเนี่ยนะตักใส่ถุงอยู่อย่างนั้นอะนะแล้วก็ถามว่าแกรวยขึ้นไหมบอกไม่ใช่เลยติดหนี้หัวโตนะไปทำงานเาน็ดเหนือ่อยขนาดนั้นเนีเน่ยนะ ติดนี่หัวโตวอีกเพราะแกะประโยชนคาวิบัติตั้งหลายเรื่องขยันเรื่องนี้จริงแต่ว่าหลักเศรษฐศาสตร์นี่แกวิบัติหมดเลยหลักใช้จ่ายทรัพย์นี่วิบัติหมดทุกเรื่องเนี่ยนะการพนันก็าแบบก็ผ่านไปพึ่งไสยศาสตร์ถามว่าถ้าเอาเรื่องชีวิตของคนนั้นมาคิดอย่างนี้มากๆถามว่าน่าเกิดไหมนะอันนี้สมมุติถ้าเราจเจริญ น, นะนี่คือรายที่หนึ่งรายที่สองเอามาอีก รายที่สเราคิดอย่างนี้วันละสิบรายก็พอเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยคือพิจารณาชาติติทุกข์เท่านั้นซึ่งซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้นะพื้นฐานว่าไอไอสัญญาและมนสิการอันนี้ต้องมีว่านี่กําลังพิจารณาให้เห็นภายในวัฏะนะเอาเหอะประวัติที่เราเรียกว่าแค่เฉพาะชีวิตที่เราผ่านมาแล้วเรารู้จักใครไว้บ้างไหม เชื่อว่าเพียงพอแล้วที่จะเบื่อนายเนี่ยนะผู้การคิดเรื่องยายสาบ่อยๆก็เกือบจะเบื่อนายแล้วนะเนี <c oughs> ่อจะต้องเห็นโทษเนี่ยนะว่าเพราะเพราะการพิจารณาที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลเนี่ยอะไรคือมรรคผลของเราเนี่ยนะเพราะอันนี้ที่เาจะต้องประยุกหรือปรับคำสอนเหล่านี้มาลงในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้สมมุทาอย่าง นนะารย์แดงกันแล้วกันคนไข้รายที่หนึ่งมาเราพ้นจากการเป็นคนไข้แบบนี้หรือยังเนี่ยนะรายที่สองมารายที่สามรายที่สี่วันละห้าสิบรายก็ได้แล้วคิดอยู่อย่างนี้สักสิปีขึ้นมาถามว่าไอ้การเกิดนี่มันน่าพิศวาสตรงไหนเนี่ยนะมันดียังไงเพราะตรงไหนบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งแห่งกองทุกแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราก็พยายามจะ ทำยังไงก็ได้ที่ประเด็นนั้นให้มันผ่านเร็วไปที่สุดเราไม่เคยคิดว่าตัวพิจารณานี้เป็นนิยานิกธรรมตัวพิจารณาเนี่ยคือตัวนำออกนะตัวพิจารณานี้เป็นตัวนำออกนะนำออกจากวัตตะเลยมีอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าผู้ใดตามเพลิดเพลินในสังโยชนียธรรมมากอานะชาติชรามรณะของบุคคลนั้นก็ ไม่มีหมดอ่ะมีแต่ทับถมมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆซึ่งเรียกว่าเราไม่ต้องไปหาเวลาที่ไหนเลยแค่ทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ให้เพียงพอเท่านั้นเองนหนะหเขาบอกว่าเพียงพอแล้วคิดๆง่ายๆอย่างนี้นะถ้าเราเห็นเด็กนะเอาไหมเด็กคนเนี้ยเราต้องมาโตแบบเนี้นะมือของเขาเนี่ยทั้งชาติเลยเขาจะยกน้ําหนักเท่าไหร่啊 สมมติว่าหิ้ววันหนึ่งเนี่ยคุณจะจิจนหิ้วกี่กิโลวันนี้ยกนั่นยกนี่เก็บรวมรวมกันแล้วถึงร้อยไหย <c oughs> เกินมั้งแม่ก็เนี่ยหิว้วหนังสือเนี่ยยกแต่ละครั้งวางแต่ละทีเนี่ยนะหยิบโน่นช่วยนี่นะแล้วถามว่าถ้าหยิบทั้งชาติเลยควรจะหยิบสกัก ก, กี่กิโลเนี่ยนะนะโหมากนะแล้วมองคนเนี่ยแล้วเขาต้องไปเห็นอีกเท่าไร่จะต้องไปได้ยินอีกเท่าไหร่จะต้องไปทักกาทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอีกเท่าไหร่ คือคิดเรื่องชีวิตเนี่ยนะตั้งแต่เกิดเกิดไปถึงตายเนี่ยเอาเรื่องนี้ามาคิดมากๆเอาประวัติของแต่ละคนแต่ละคนทั้งอันนี้แหละคือการทำตีรณะปริญญาโดยแล้วทีนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆนะพื้นฐานกรร ม, มสักตามันจะค่อยๆดีขึ้นเองเ น, นะเราจะเริ่มเห็นว่าทำไมคนนี้ทุกมากคนนั้นทุกน้อยเป็นต้นไหตการที่ที่รู้เรื่องกรรมดีอันนั้นแหละคือการกาหนด สมุทัยศัตร์เพราะตันหามันให้ผลในรูปแบบของคืออ น, นิสงส์ของตันหาที่บุคคลยังละไม่ได้มันให้ผลคือเป็นกรรมคือกรรมมันให้ผลนั่นเองนะเพราะส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องเอาอย่างนี้มาพิจารณานะหรือไม่ถ้าใครล้างบ่อยๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราสมมติว่ารูปกี่ครั้งจานหนึ่งใบยอย่างเงี้ยนะแล้วปีนหนึ่งเรารูปกี่ครั้งเนี่ยนะก็นั่งนึกทั้งชาติเนี่ยนะ คือวิชาวิปัสสนานะมันเหมือนกับวิชาสติติเียนะคือวิชาสติตินั่นแหละเป็นการเก็บสติติแต่เป็นเก็บเพื่อให้เห็นความน่าเบื่อหน่ายของสิ่งนั้นความไม่รู้จักจบจักสิ้นของของสิ่งนั้นถ้าถ้าน้ำตาเราปริ่มขึ้นมาด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ย น, นะวัตตะที่ผ่านมาน้ำตาของเราก็มากกว่าน้ำมหาสมุทรแล้วเสียเลือดขึ้นมาปั๊วันนี้โอ้โหเราเสียเลือดอย่างนี้มากกว่า น้ำมหาสมุทรแล้วนะเอาน้นํานมกล่องมานะสมมติถ้าใครดื่มนมกล่องนะพักขึ้นมาก็จะดูดนะเนี่ยเราดื่มมากกว่า น, น้ําทะเลมหาสมุทรแล้วก็ค่อยๆระลึกไปอย่างนี้บ่อยๆกับทุกเรื่องที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะทุกแห่งที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยการไข้ครวนแบบนี้มากๆมากๆจนเป็นไปเพื่อตัดชันนราคะในสิ่งเหล่านั้นได้นั่นคือการเจริญวิปัสสนาทัลทัศสูตรทั้งหมดเนี่ย ชี้ให้เห็นในในลักษณะนี้นี้ถามว่าอย่างที่อาจารย์เกสอนพูดว่าไม่มีลักษณะที่เป็นคาสั่งเลยใช่ไหมแล้วไม่มีการติดตามคือตรงนี้เนี่ยนะว่าคนที่จะออกวิชาเนี่ยนะมีวุฒิภาวะสูงมากเนี่ยนะหรือมีผู้ที่ทางปัญญาค่อนข้างสูงมากจึงคัดว่าหนึ่งติเหตุกะปฏิสนธิเป็นต้นนะและอัธยาศัยที่จะเห็นภายใน วัดต่อย่างแรงกล้าเพราะว่าคนสายนี้นะรังเกียจการคลุกคลีเนี่ยนะคเครื่องวัดผลว่าผู้ที่ปฏิบัติในาศาสนานี้เจริญขึ้นหรือไม่นะเขาเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องวัดหนึ่งมักน้อยเพิ่มมักน้อยในมหาพูดเนี่ยลดลงไหมอ่า น, นะสองสันโดษในมหาพูดเนี่ยเพิ่มไหมเน ย, ยนะสคลุกคลีอยู่หรือเปล่า น้อมไปเพื่อคลุกคลีกับมหาพูดทั้งหลายไหมต่อไปวิเวกแค่ไหนอีกต่อไปเพียรแล้วก็ที่เหลือก็ไตรสิกขาอันนี้เป็นเป็นข้อวัดทั่วทวไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สอนทั้งหลายที่เจริญงอกงามในาศาสนาอยู่เขาจะไม่มามาคลุกคลีกับอะไรจนจนเกินไปหรอกนะนะ ลักษณะแบบแบบนักเรียนอนุบาลเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นในเป็นสายนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนั้นคนที่ที่เป็นครูสอนทั้งหลายนะถ้าเจริญในาศาสนาเนี่ยนิสัยต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้ไว้วัดผลเลยแต่ถ้าขัดตับมักน้อยสันโดดคลุกคลีวิเวก ข, ขาดความเพียร น, นะคนนั้นเป็นผู้กล่าวทรรมแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติทำเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีอยู่ในตัวเลยนะ คนนั้นพูดทำแต่ไม่ได้ปฏิบัติทำเพราะผลของการปฏิบัติในาศาสนานี้เป็นเป็นอย่างนี้ท่านบอกเลยที่พระ อ, องค์ตรัสกับพระนางประชาบดีโคเตมีว่าทมเราใดที่เป็นไปเพื่อความมักมากให้รู้วันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษนะอันนั้นก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอีกถ้าเป็นไปเพื่อการคลุกคลีอันนั้นก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอีกถ้าเป็นไปเพื่อไม่วิเวก ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอีกนั่นหนะหรือเป็นไปเพื่อความเกียรดคร้านก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องวัดผลเพราะฉะนั้นจึงผู้ที่หวังความเจริญโดยเฉพาะหวังความเจริญให้แก่ตัวเองอยู่จะไม่เข้าไปคลุกเคลียอะไรจนเกินไปเนี่ย น, นะเพราะอะไรหมายถึงความเสื่อมของเขาเคยเจอไหมละ่ะสมมติถ้าผู้สอนเป็นพระพิสุใช่ไหม ไปคลุกคลีกับคารวะาสแล้วพระพุทธเจ้าชมโ อ, อ้โหดีมากเลยนะเธอเนี่ยไปสงเคราะห์นะเออขยันมากเธอไปช่วยสงเคราะห์คารวาสนะออกตั้งกับวัดตั้งกับเช้ากลับสักค่าเลยเนี่ยนะชมไม่มีมีแต่ตําหนิกับที่สูตนี้อีกไม่นานเนี่ยนะจมในวัตะแน่มีแต่ตําหนิเนี่ยนะไม่มีชมแม้แต่อย่างเดียวฉันการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยเราเราศึกษาในพระไตรปิฎกอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ย เป็นเครื่องมือค่อนข้างมาตรฐานที่จะเอาไว้วัดแต่โดยรวมๆก็ไม่เป็นที่ประสบกับกามัธยาศัยสักเท่าไหร่คือหมูสัตว์ทั้งหลายโดยรวมๆนะโดยรวมๆเนี่ยความที่เขาไม่พิจารณาเนี่ยคืออะไรเนื่องจากเขาเนี่ยน้อมไปในกามน้อมไปเพื่อบริโภคดังที่คุณมูลมีว่านะขณอ่านธรรมะอยู่ก็ยังเปิดเพลงคลอ ฟังเทพธรรมะอยู่ก็ต้องเปิดตรีคลอด้วยในตัวจะได้บริโภคไอสิ่งนั้นด้วยมันอัธยาศัยมันมากขนาดนั้นนะการมัธยาศัยร้องอ่ น, น, นอาาะนนนไม่วิเวกอ่นะไม่วิเวกเลยนะหมายความว่าคิดไม่หายวิใช่ไหมละอาจารย์เกตสอนต้องทวงแล้ว <laughs> เรารู้แล้วจะแกล้งไงต้นหน่อย ก็คือคิดหาพวกส่วนใหญ่นะคิดหาแต่พวกไม่ค่อยคิดคิดคิดจะไปเดียวเลยไม่ค่อยมีคิดหาแต่พวกอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปอีกอไม่อยากออกไม่ได้คิดจะออกจริงๆเพราะยังไม่เห็นว่าเอ๊ะถ้าออกแล้วมันเสียหายยังไงคือถ้าบ้านถูกไฟไหมเนี่ยนะ บ้านหลังหนึ่งถูกไฟไหม้เพลิบเๆบเพลิบพอดีเราอยู่ในห้องเก็บสมบัติพอดีเลยใช่ไหมกลิ่นควันเนี่ยมันโชยเข้ามาบ้างแล้วเฮ้ยทราบเราก็ตั้งเยอะแยะไม่รู้จะรีบออกไปทำไมดีไหมอย่างนี้นะที่จริงนะทุกคนเนี่ยมันได้กลิ่นอายแห่งจะถูกเผาอยู่แล้วได้กลิ่นกันทุกคนอยู่แล้วนะแต่ว่ากาลังอยู่ในห้องสมบัติอยู่เลยล <tes> ืมไปนะว่าถ้าไม่ออกแย่นะแล้วก็โลภะเป็นอัธยาสัย โทสะเป็นอัธยาศัยโมหะเป็นอัธยาศัยเขาบอกว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอริยะนะอัธยาศัยตรงกันข้าม6ประการต้องมีอยู่ในตัวอัธยาศัยเพื่อเห็นโทษของกามก็เนฆัมมะานะเห็นโทษของสิ่งนั้นๆเลยแม้กระทั่งสมมุตินะคนที่มีอัธยาศัยเห็นโทษของกาลนี่เขาเป็นอย่างไงไปเห็นรีสอร์ทผู้กามสมมุติว่เห็นสวนสวยๆนะเขาจะนึกถึงความลําบากในการดูแลขึ้นมาทันที เขาจะไม่มองแต่ความงามโดยอย่างเดียวคือเขาเห็นอยู่ว่าความงามอันนั้นมันเป็นอะไรแต่ถ้าถามว่าคนที่ต้องมารับภาระขนาดนี้มันควรจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยนะเขาจะเห็นในในส่วนที่ความรับภาระของของเจ้าของเลยว่ามันจะขนาดไหนอันนี้คือเราว่าไม่ไม่มองเห็นแต่คุณโดยส่วนเดียวใช่ไหมไมไ่แต่อาสาทะอย่างเดียวเหมือนกับอย่างว่าเห็นสาราวัดใหญ่ๆนะเออมีบุญนะ แต่ก็ขนาดเดียวกันคิดถึงคนเช็ดคนถู ด, ด้วยเหมือนกันนะนะโอ้กว่าจะเช็ดถูดนี่เสร็จมันจะขนาดไหนใช่ไหมอาจารย์เกดคงไม่ผิดหวังไม่สัง่งหลังโตขนาดนั้นนะกานั้นก็ได้ออกกําลังกายก็แล้วกันเช็ดทีก็ออกกําลังกายทีนึงแล้วก็วิเวกนะคือเราเคยก็แบ่งเวลางเงียบเงียเพื่อที่จะจะมาคิดทบทวนในเรื่องของชีวิตเนี่ยขนาดไหนอันนี้เรียกว่าอัตยาศัยที่เป็น วิเวกนะอันนั้นต้องมีแล้วก็เห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เห็นโทษของการไม่พิจารณาถ้าเราเบือบ่อไปอย่างนี้นานนะโอโ้ชีวิตแย่แน่เดือดร้อนแน่พันคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอองที่ที่พ อ, องตรัส ก, กับพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าเธอติดตามเราให้ติดตามเพื่อฟังฟังธรรมะทั้งหมดให้เห็นความมากน้อยให้เห็น ความสันโดษให้เห็นการไม่คลุกคลีเห็นวิเวกเห็นการปรารบความเพียรเห็นไตรสิกขาเห็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันนั่นเป็นข้อปฏิบัติน่นะทีนี้อย่างที่กล่าวว่าคุณธรรมเหล่านี้นะจะมีอยู่ในตัวถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆคือพิจารณาเลยนะเก็บมาคิดเลยแต่ละคนเนี่ยชีวิตเกิดมารับภาระขนาดไหนนะตั้งแต่เกิดมาเลยนะเขาต้องรับภาระขนาดไหน เอาอย่างนี้สถิติอันนี้มาเก็บมาคิดมากมากๆมากๆเข้าแล้วมองเห็นภาระของเราที่เรารับมาชาตินี้นะแปรงฟันมากี่ครั้งแล้วชาตินี้ล้างหน้ามากี่ครั้งแล้วซักผ้ามากี่กี่ตัวนะซักผ้ามากี่ครั้งใช้ผ้ามาเท่าไหร่แล้วเดินมากี่กิโลเมตรแล้วเนี่ยนั่งมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนอนมากี่ชั่วโมงแล้วแล้วเคี้ยวอาหารเนี่ยเคี้ยวมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนะ หายใจมากี่รอบแล้วแล้วคิดอะไรมาบ้างนะก็มาโทษทวนมาคิดเรื่องนี้เอาเรื่องคนอื่นมาคิดบ้างอะไรบ้างเพื่อเก็บสถิติอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าตามเห็นโทษโดยส่วนเดียวท่าน อ, อารทินวะคือหลักการที่การพิจารณานะก็พิจารณาอาสาทะใช่ไหมอาทินะวะนั้นการกล่าวทุกขาริยศสตร์อยู่ตอนนี้คือการกล่าวอาทินวะเนี่ยนะพูดยังไงที่จะเห็นโทษ ถ้าเห็นโทษเท่าไร่นะมันจะลดอาสาทะลงเท่านั้นถ้าเห็นแต่อาสาทะมากเท่าไหรอาทตินวะก็ไม่ค่อยเห็นก็เพราลเกสาโลมาณขาทันตาตะโจนะจึงคิดดูนะโอ้โหเรามีภาระในการเกี่ยวเรื่องกับผมผมเนี่ยเท่าไร่แล้วนนนะ เ, นเนี่ยเนี่ยมานัชลียเนี่ยเดือนโกนครั้งหนึ่งเดือนโกนครั้งหนึ่งโก น, ห, นหัวจะถลอกหมดลนะเนี่ยนะดีนะทำมือใหม่โกนให้ก็เลือดอาบทุกครั้งเลย เดือดร้อนเรื่องผมขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างให้นะคนอื่นก็มีผมเหมือนกันก็เอาไปคิดดูว่ามันลําบากขนาดไหนเกี่ยวกับผมอย่างเดียวนี่แหละแล้วก็อาการมันมีตั้ง42 <อ>ใช่ไหมก็มาคิดดูเออนี่ผมมันอย่างนี้นะแล้วเล็บแล้วขนอ่ะเดือดร้อนในเรื่องขนเท่าไหร่เดือดร้อนในเรื่องฟันเท่าไหร่เดือดร้อนในเรื่องเล็บเท่าไหร่เดือดร้อนในเรื่องฟันเท่าไหร่ ผิวหนังเนี่ยนะเดือร้อนในเรื่องหนังขนาดไหนนะผิวหนังเนี่ยต้องอาบให้ล้างนันนเมื่อกี่ครั้งคุณน้องโอเดี๋ยวก็อาบไม่มันไม่รู้วันแล้วตั้งหลายครั้งทั้งเช็ดทั้งสารภาพอยู่นั่นแหละป้องกันนะไม่ให้ยุงกัดไรตอมเป็นต้นเนี่ยดูแลหน้าดูเลยดูแลผิวหนังใช่ไหมก็ดูแลเนื้ออีกดูแลเอ็นอีกดูแลกระดูกอีกดูแลเยื่อในกระดูกดูแลตับดูแลไตดูแลไส้ดูแลปอดนะไล่ทุกอันทุกอันเนี่ยดูแลแม้กระทั่งให้มันหายใจให้มันได้เรื่องนะ สังเกต น, นะถ้าตรงไหนมันหายใจเอชักขัดๆนะเราจะเริ่มนี้แล้วนะชัไม่เอาแล้วนะบริหารแม้กระทั่งลมหายใจใช่ไหมเนี่ยไออาการ42คือมหาพูดในร่างกายนี่เราดูแลมันขนาดไหนก็เป็นผลของการเกิดแล้วดูแลเอชเวทนานะเวทนาทางตานะัมันจะต้องเลือกเลือกให้มันดูนะไม่งั้นมันได้เวทนาที่ไม่ถูกใจเสียงที่จะฟังให้มันต้องไปเลือกเอาเสียงที่มันคู่ควรต่อเวทนาให้มันดีๆนะไม่งั้นมันก็ไม่เอาอีกนั่นแหละ กลิ่นนี่ก็คัดเอาเพื่อจะได้เวทนาหน้าดูเลยนะรถเหมือนกันอาหารเต็มโต้ทำไมเราเลือกเอาแค่ตรงนั้นที่จะมาให้มันถูกลิ้นผ้านะมีแขวนตั้งเยอะแยะทําไมเราเอาไปเลือกเอาบางตัวที่มามานุ่งแล้วเรื่องมีตั้งเยอะแยะทําไมเราเอาเก็บมาคิดแต่เรื่องนั้นๆอันนี้ทําให้เห็นว่าบริหารรูปประคันบริหารเวทนาขันบริหารสัญญาขันบริหารสังขารขันบริหารวิญญาณขันภายในด้วยแล้วก็ไปเก็บขันข้างนอกมาช่วยบริหารเขาอีก นั่นนนก็โอ้ยตั้งหลายหลายขันนนะช่วยเขาเอามาคิดอยู่นั่นแหละซึ่งทั้งหมดนั้นนั่นนะล้วูแต่คือคือตัวภาระเมื่อไรที่เราของชมรมเรานะให้มันว่าเมื่อไรการพิจารณาแบบนี้แล้วนั่นคือวิปัสสนานะจะพอใจเป็นอย่างมากเลยว่าการพิจารณาอย่างนี้แหละคือการเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องโอ้เนี่ยนะจะต้องไปแบ่งเวลาไปอยู่ที่นั่นที่นี่ อย่างของมายังชอบพระรูปหนึง่งท่านบอกว่าโยมไม่ค่อยมีเวลาภาวนาเลยบ่างนั้นก็บอกโยมมีเวลาหายใจไหม <c oughs> เออถ้ามีก็มีเวลาเจริญแน่ะเ <c oughs> ชื่อคือ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยผมเคยเอามาตึกว่าเออการที่เราศึกษาเนี่นะฮะเรียน ก, กันก็มานานี่นะฮะ ก็รู้วัตถุประสงค์หรือไม่ว่าเพื่อที่จะทำให้เราเห็นโทษหรือเบื่อหน่ายในอุปาทานขันท่านีน้ถ้าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางอันนี้นะบางทีเราก็เบริอมกันนะว่าไอ้เป้าหมายมันอยู่ตรงไหนเช่นสมมติตก่อนนี้เนี่ยนะเราเรียนโอ้โหเรียนมากเลยนะอย่างบางแห่งบอกว่าโอ้ต้อง เ, เห็นอนัตตานี่นะต้องเห็นเป็นอนัตตาผมยังอยากจะถามว่าเห็นเป็นอนัตตาเนี่ยแล้ว แล้วไม่เคยคิดถึงเรื่องเรื่องอาทีนวะไม่เคยถึงเรื่องความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห่าเลยนะไม่เคยคิดเลยครับแต่ไปคิดว่าไอเห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยหรือมันจะไปเห็นที่มันสิ่งที่มันลึกลับหรือว่าเห็นสิ่งที่วิเศษทำให้บรรลุได้เนี่ยลืมนึกไปครับว่าแม้แต่เห็นในอนัตตาเนี่ยเพื่ออะไ ร, รก็คือระลึกถึงพระสูตรที่พระ อ, องค์ตรัสอนัตตาเนี่ยนะพระ อ, องค์ตรัสว่า สัพเพธรรมมาอนัตตาติยถาปัญญายปสติอาธานิพินทติดุเขสัมมโค ว, วิสุทติยาเมื่อใดเขาเห็นทำทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเขาจากเบื่อหน่ายในวัตถุทุกในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัตถุทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนะสื่อสูตรเป็นยังไงอันนี้เลยเวลานิดหนึง่งนะ อันเนี่ยอันเนี่ยอ่าน กระสุดว่าอันนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาวัาพเพยธรรมมาอนัตตาติคือเห็นธรรมทั้งบวงว่าเป็นอนัตตาไอคำว่าเห็นเนี่ยคือปัจจิเนี่ยนะเห็นด้วยอะไรก็คือเห็นด้วยปัญญาอันนะอทนิพินติคือถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆอ น, นิสงส์งก็ต้องเบื่อน่ายความเบื่อนายเนี่ยนะเบื่อนายเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งอริยมรรค อริยมรรคเนี่ยบรรลุนิพพานอันนี้คือ น, นิพพานอันนี้มรโคก็อกมรใช่ไหมอันนี้นิพิถาก็คือพลวะวิปัสนาเนี่นยนะะถาปัญญาตัวนี้วิปัสนาแั้ถ้าเก็บเอาวัตถุประสองค์อย่างที่ว่าถ้าเห็นอนัตตาจริงๆด้วยปัญญาอย่างกล่าวเนี่ยนะผลมันก็ต้องเป็นเบื่อหน่าย ทีนี้การบุคคลที่จะเห็นอนัตตาเนี่ยคือเห็นโดยความเป็นทุกข์บ้าง น, นะเห็นโดยอนิจจังบ้างแล้วจึงเห็นอนัตตาถามว่าอย่างภาระที่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยนะมันทุกข์ขนาดนี้ใครมีอํานาจจริงบ้างเอานะลูกของฉันเนี่ยฉันรักมากหลานของฉันก็ทะนุถนอมมากแกเกิดมาแกจะต้องรับความสุขตลอดกลาลเรามีอํานาจในลูกหลานขนาดนั้นไหม วางแผนเตรียมให้มันเรียนเต็มที่มันหนีเรียนเฉยยังไงนะทำอะไรมันได้เพราะนั่นก็เห็นว่าเราไม่ได้มีอํานาจอะไรในในในตัวเข้าเลยอะ่ะแล้วภายในเราล่ะเรามีอํานาจอะไรบ้างอที่ที่ยานะอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าสารพัด ท, ที่เราจะต้องการเนี่ยใครมีอํานาจบ้างมีอํานาจจะให้มันทุกข์คือหลักการเขามีอย่างนี้ว่าถ้าเป็นอัตราจริงควรจะสุขถ้ามีอํานาจจริงนะมันต้องสุขสิถ้ามีอํานาจจริงก็ต้องเที่ยงสิ แต่นี้มันไม่มีใครห้ามว่าอย่าทุกข์เลยนะขอให้ยั่งยืนตลอดไปเมื่อไม่มีใครมีอำนาจจริงนี่แหละเรียกว่าอนัตตาถ้าเห็นอยู่อย่างนี้มากๆไอ้ตัวปัญญาเนี้ยเป็นอุปนิสัยที่สำคัญแห่งนิพพิทาพลวะ ว, วิปัสนาทีนี้ไอ้นิพพิทาเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอริยมรรคนี้บรรลุวิสุทธิคือ พระนิพานเพราะการเห็นอนัตตาที่ถูกต้องเนี่ยโครงสร้างพระพุทธพจน์มีแต่เราก็หยิบเอามาเฉพาะประโยคเดียวนั่นแหะมันก็เลยไม่รู้โทษใครแล้วกันนี้วัตตะมันเป็นอย่างไ้คือพอเริ่มก็อนัตตาเลยไม่ได้รู้เรื่องผ่านทุกครั้งอนิจจังไม่เกี่ยวเลยมาถึงอนัตตาอย่างเดียวสอนอย่างเดียวทุกคนมาเห็นพิจารณาคำที่ปรากฏ เพื่อเห็นอนาตายังนึกไม่ออกเลยว่าผมเรียนมา1ิปี20ปีนะว่าเออเห็นอนาตาน่เพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่เคยอยู่ในศีรษะสมเลยไม่เคยอยู่ในอัธยาศัยเลยไม่มีเ ล, เลยไม่มีเคยพูดเลยครับวา่าไงเจนนันพอเวลามันทึ จะเสีองนั่นฟกันในหมูนี้นะอาจารคือเน้นอาทีนวะเคตัวอาทีนวะเนี่ยนะมันเปน็การเห็นโทษเท่าไหร่นะนั่นวิปัสสนามันเพิ่มเท่านั้นคือต้องไม่ลืมนะว่าตันหาที่เพลิดเพลินในอุปาทานขันห้าไอตันหาตัวนั้นนั่นแหละคือตัวสร้างวัตะทีนี้ทํายังไงที่จะไปลดไอดตัวเพลิดเพลินในวัตตะก็คือเห็น เห็นตามเป็นจริงเพื่อจะได้เห็นโทษในวัตตะไอการเห็นโทษเนี่ยนะเห็นโทษอย่างนี้เนี่นะสมมติว่าตรงๆว่าตัวนิพพิธาตัววิปัสนาอันนี้คือสิกขาที่จะต้องจะต้องมานึกถึงให้มากๆเนี่ยนะตัวอริยมรรตตรงนี้ศนะสิกขาที่บริบูรณ์พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยนะ ตัวที่พระองค์สอนขึ้นเนี่ยคือสอนให้มีปัญญาตัวนี้ให้มีวิปัสสนาตัวนี้เพราะว่าถ้าเขาเจริญพวกนี้ดีอันนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคเองเนี่ยนะคือพระองค์เป็นเขาพระองค์ก็บอกชัดว่าเราตถาคตเป็นแต่คนบอกทางเนี่ยนะบอกทางให้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็สูตรหนึ่งบอกว่าเราช่วยคนไม่มีสัตว า, าม่ได้หรอกเนี่ยนะเราช่วยเขาไม่ได้หรอก เพราะไอ้เรื่องการคิดอย่างนี้ใครจะไปคิดเผื่อกันได้ไมันถ้ากินข้าวแทนกันได้เมื่อไหร่นะก็คิดแทนกันได้เมื่อนั้นแหละแต่นี้ขนาดทานข้าวหยาบหยาบยังทําแทนกันไม่ได้นะเดี๋ยวใครพักผ่อนเผื่อหน่อยนะเดี๋ยวจะอ่านหนังสือทั้งคืนเลยคืนนี้ก็ยังทําแทนกันไม่ได้ฉันใดแล้วปัญญาตัวนี้เนี่ยใครจะไปทําแทนใครได้แต่ว่าให้รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่กล่าวทั้งหมดนะการพิจารณาทุกข์สัตว์ก็เพื่อให้เห็นอานิจจังทุกขังและอนัตตาเห็นเช่น คำว่าทุกอันนี้อาจจะใช้คําว่าภาระขึ้นมาแทนก็ได้เนี่ยนะคําว่าไม่เที่ยงอันนี้อาจจะใช้คําว่าตายแทนก็ได้ใช้ศัพท์ไหนขึ้นมาก็ได้อ น, นาตตาอย่างนี้ก็คือมันทําได้เท่านี้ทํามากกว่า น, นี้ไม่ได้มันอย่างนี้จริงๆนะอันนั้นลักษณะบอกว่ามันเป็นอนาตตาจริงๆเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดว่าเมื่อใดที่เราคิดว่าการพิจารณาอย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมของเรานะีเมื่อนั้นเราจะได้ดี การคิดสิ่งเหล่านี้บ่อยๆคือเรียกว่าเจริญกุศลธรรมของเรานะเมื่อใดที่เราเห็นคุณอย่างนี้บ่อยๆนะแต่ก็มีสูตรบอกว่าวิปัสสนาเนี่ยใกล้ต่อทุกนี่นะใกล้ทุกมากสมถะใกล้สุขคือวิปัสสนาเนี่ยเมื่อเจริญเยอะๆนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยตัวร้อนเหงื่อออกโดยซ้าไปแต่ใกล้ทุกแต่สมถะใกล้สุข ห่างทุกวิปัสนาใกล้ทุกห่างสุขถ้าเจริญวิปัสนานี้ยเขาเรียกกายภาวนาถ้าเจริญสมถะเขาเรียกว่าจิตตภาวนาทีนี้ทั้งกายภาวนาจิตตภาวนาก็เจริญควบคู่กันไปนีนบางส่วนที่เรียกว่าเราวิเวกไม่ได้เราก็เน้นที่การเจริญปัญญาเนี่ยนะเห็นโทษก็ตั้งคําถามว่าเราจะสมมุติว่าเราทําอะไรสักอย่างนะเราซักผ้านะนะจะซักไปถึงไหนนาะอย่างงี้นะ เมื่อไรจะเลิกมีขันห้าเพื่อจะได้ไม่ต้องมาหุ้มม า, มาซักมาใช้อีกต่อไปนะก็คือเอาเรื่องนี้มาคิดเยอะๆอันนั้น ก, ก็เจริญได้เชื่อไหมแม่บ้านคนหนึ่งนะในเทรีคาถาเนี่ยท่านบรรลุปเป็นพระนาคามีตอนทำกับข้าวนะคือคือพอทากับข้าวตั้งหม้อข้าวใช่ไหมแล้วมันเดือดเดือดลือมัวไปทำอย่างอื่นนะหม้อมันไหมมันแห้งไปหมดเลยนะ แห้งนางก็มาคิดว่าเมื่อไรเราจะทําไอ้นะราคะให้มันแห้งแบบนั้นอะ่ะเนี่ยนะคิดยังไงราคามันแห้งจากขันท่าแบบนั้นได้พันก็นั้นถ้าเข้าใจทิศ ท, ทางหรือจุดประสงค์ของคําสอนนะเราแทบไม่เกี่ยงเลยว่าเจริญไม่ได้ในสถานที่ต่างๆแต่ขณะเดียวกันนะส ป, ปายะก็ปฏิเสธไม่ได้อนะผมก็เจริญได้แต่ก็ขัอนกระแท่นเต็มที มีข้ความตอนฟังไม่ค่อยทัน้วจดไม่ทันนะครับหรือว่าพิจารณาไม่ใช่แค่นามรูปอัสสเวทนาชวงๆนั้นคือของเราทั้งหลายเนี่ยนะมันมันพิจารณาแบบที่เราคุ้นเคยกันบ่อยๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเมื่อยุงกัดก็ตําหนดว่ายุงมันกัดถามว่าอยู่แค่นั้นพอไม่ที่จะเบื่อหน่ายในวตะคือมันน้อยเกินไปอ่ะะมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแบบอะไร มันไม่ได้เข้าสูตรในคําสอนเลยอันนั้นด้วยและอันอื่นสารพัดด้วยเนี่ยนะซึ่งเขาไม่ได้คิดอยู่แค่นั้นเขาคิดแม้กระทั่งงูกัดด้วยไม่ใช่แค่ยุงกัดงูกัดเป็นต้น น, นะนะช้างเหยียบตายเนี่ยนะเขาคิดหมดเลยคิดโดยรอบครอบเธอไม่ใช่ว่าหยิบเอาชีวิตมาแค่จุดใดจุดหนึ่งมาแล้วก็หยุดอยู่เท่านั้นไม่ใช่แต่เป็นการมองชีวิตโดยรอบมองจนกว่าที่จะตัดแปลว่าตัดอะไรในวตะสัทีอ่า น, นะคือถ้า ถ้าตั้งคําถามแบบนี้ว่าถามว่าเราจะต้องคิดเรื่องนี้พิจารณาเรื่องนี้แค่ไหนบอกว่าคิดจนกว่าจะตัดอะไรในวัตฏะได้อะไรนี่ชื่อหนึ่งแปลว่ายางเหนียวเนี่ยทํายังไงที่จะตัดเยื่อใยตัดยางทั้งหลายที่มีอยู่ในขันห้าได้ทีนี้อาการอย่างที่ว่าบุคผู้มีปัญญาเนี่ยเขาพิจารณาวัตถุภายนอกเป็นเป็นหลักแล้วก็เห็นความทุกข์ภายในว่าแม้เราก็ ถ้ายังติดในขันห้าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนะเหมือนอย่างว่าถ้าใครอยากเลิกยาเสพติดนะเก็บสติของผู้ติดยาสารพัดเอามาคิดให้มากๆนะแล้วคนนี้จะเลิกยาได้คือดังที่กล่าวไปว่าอย่างที่ของมาชอบพูดกับผู้การอยู่คำหนึ่งว่า ถ้าคุณจะเจาะบาดาลเนี่ยนะที่มันลึกมากเนี่ยคุณใช้เข็มพอไหมพอไหมล่ะการพิจารณาอย่างนั้นมันก็ด้วยแหละว่างั้นเถอะด้วยแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันน้อยเกินไปที่จะเจาะถึงบาดาลว่างั้นเนไเพราะหัวสว่านมันต้องดีมอเตอร์มต้องใหญ่มากๆเลยนะปั๊มต้องใหญ่มากๆฉั้นอย่าลืมว่าโครงการนี้มันอุทิศทั้งชีวิตในการเจริญ มันไม่ใช่เพียงพอว่าเออเนี่ยไปหลีกเล้นหรือไปหลบคิดอยู่สักเออนี่นีหน่อยหน่อยก็พออันนี้ไม่ใช่เรียกว่าโครงการอันนี้เจริญตลอดชีวิตแล้วก็ชีวิตเดียวก็ไม่พอถามว่าจะพอเมื่อไหร่บอกว่าเมื่อละอาไลในขันห้าได้เมื่อไหร่นั่นแหละจะพอเรียกว่าจบกิจแล้วแต่ถ้ายังโอ้เยื่อใยย า, ยายงเหนียวเต้ไปหมดเลยก็พิจารณาตลอดไปอันนั้นก็เลยเลยเวลาแล้วนะ